ชีวิตของพวกเราีนประกอบขึ้นมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจร่างกายนี้เป็นส่วนที่ไม่ถาวรเป็นส่วนชั่วคราวส่วนจิตใจนี้เป็นส่วนที่ถาวร ความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายจึงเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรส่วนความสุขทางจิตใจนี่เป็นความสุขที่ถาวรพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราสละความสุขทางร่างกายกัน แล้วมาหาความสุขทางจิตใจกันเพราะความสุขทางร่างกายได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายความสุขทางร่างกายก็จะหายไปหมดแต่ความสุขทางใจนี้จะไม่หายไปกับร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายความสุขทางใจนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมและเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมพระพุทธเจ้าทรงสละความสุขทางร่างกายสละพระราชสมบัติในขณะที่เป็นพระราชโนิสพ์ ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายสละครอบครัวสละภรรยาสละบุตรสละความสุขของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ออกไปแสวงหาความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิและความสุขที่เกิดจากการเจริญปัญญาที่จะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่ได้หมดไปกับร่างกายนี่คือ เรื่องของพระพุทธศาสนาศาสนาสอนให้เราหาความสุขแท้จริงกันหาความสุขที่ถาวรกันอย่าไปเสียเวลาหาความสุขปลอมกันคือความสุขชั่วคราวความสุขที่ไม่ถาวรพราจะทำให้ต้องเกิดความทุกข์เวลาที่ความสุขชั่วคราวนี้หมดไป เวลาที่เราสูญเสียความสุขไปเราจะเสีย อ, อกเสียใจกันร้องหหมร้องไห้กันรู้สึกเศร้าซ้อยงอยิงเงาว้าเหวกันเพราะความสุขทางร่างกายมันเป็นแบบนี้มันเกิดแล้วมันก็ดับจเจริญแล้วก็เสื่อมมันจะไม่ได้อยู่ไปอย่างจีรังถาวร เหมือนกับความสุขทางใจเราจึงต้องมาระับการหาความสุขทางร่างกายกันเช่นการถือศีลแปดนี้ก็เป็นการหยุดการหาความสุขทางร่างกายเช่นศีลข้อสามก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกัน ให้นอนคนเดียวไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดเพราะวันใดวันหนึ่งคู่ครองของเราหรือเราก็อาจจะต้องจากพัดพากจากกันจะไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอดเวลาที่เราไม่ได้อยู่ร่วมกันเวลานั้น ความสุขก็จะหายไปแล้วก็ความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีพระพุทธเจ้าดึงสอนให้พวกเร า, อ, าอย่าหาความสุขแบบนี้ยหยุดหาความสุขแบบนี้ในตอนต้นก็สอนให้มาทดลองดูก่อนเช่นในวันพระอย่างวันนี้จะเป็นประเพณีธรรมเนียมของชาวพุทธเรา ที่จะมาอยู่วัดมาศึกษามาปฏิบัติมาถือศีลแปดที่วัดกันเพื่อที่จะหยุดการหาความสุขทางร่างกายจะได้มีเวลามาหัดหาความสุขทางใจกันนอกจากการไม่ร่วมหลับนอนกันแล้วยังมีศีลข้อที่หกคือไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหาร รับประทานได้แต่รับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอรับประทานวันละครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเป็นอย่างมากแต่จะไม่แต่จะไม่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะเราต้องการจะเอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้มาหาความสุขทางใจกันถ้าเรายังหาความสุขทางร่างกายอยู่เราจะไม่สามารถหาความสุขทางใจได้นั่นเอง เราจึงต้องมีการควบคุมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายไม่ให้มากจนเกินไปไม่ให้รับประทานตามความอยากเพราะถ้ารับประทานตามความอยากแล้วจะรับประทานหลายรอบพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะรู้สึกทรมานใจก็ต้องระ ง, งับความทรมานใจด้วยการรับประทาน พอรับประทานไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเกิดความอยากรับประทานขึ้นมาใหม่ก็เกิดความทรมานใจขึ้นใหมก่ก็ต้องรับประทานใหม่ก็เลยจะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจจึงต้องส่งห้ามไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้ใช้เวลาหลังจากเที่ยงวันไปจนถึงเวลาที่จะหลับนอน สร้างความสุขทางใจแล้วก็ยังต้องห้ามในข้อที่เจ็ดห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากมหอศรศบันเทิงต่างๆเช่นไม่ให้ดูละครดูภาพยนตร์ไม่ให้ฟังร้องลําทำเพลงไม่ให้ไปตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ให้ไป ที่ท่องเที่ยวไม่ให้ไปงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆงานบันเทิงงานสังคมเพราะถ้าไปก็จะไม่มีเวลามาสร้างความสุขทางใจให้ไปอยู่วัดแทนที่วัดนี้จะไม่มีงานเหล่านี้ที่วัดจะมีงานสร้างความสุขทางใจคือการนั่งสมาธิการฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา นอกจากไม่ให้ไปเที่ยวแล้วก็ยังห้ามไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาอรที่วิจิตพิศดาลสวยสดงดงามด้วยการทำเเผาทำผมด้วยการแต่งหน้าทาปากด้วยการใช้น้ำมันใช้น้ำหอมต่างๆเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่ไม่จีรังและเสียเวลาต่อการที่จะมาสร้างความสุขทางใจและยังสรงห้ามข้อสุดท้ายคือข้อแปดคือไม่ให้หลับนอนมากจนเกินไปให้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายซึ่งร่างกายถ้าได้พักผ่อนหลับนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอ แต่ถ้านอนบนฟูกนหนาๆเตียงใหญ่ๆเตียงที่สบายนอนแล้วสบายนอนแล้วสุขเวลาที่ร่างกายรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกขึ้นมาก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงก็จะทำให้เสียเวลาที่จะเอามาใช้ในการสร้างความสุขทางใจไปนี่คือเหตุผลของการรักษาศีลแป คือให้เรายุติการหาความสุขทางร่างกายกันมาทดลองดูกันสักวันหนึ่งก่อนนอกจากรักษาศีลแล้วศีลแปดแล้วเรายังต้องมาสร้างความสุขทางใจถ้าเพียงแต่รักษาศีลแปดแล้วไม่มาสร้างความสุขทางใจใจมันก็จะไม่มีความสุขใจก็จะทรมาน เพราะว่าการที่ไม่ได้หาความสุขทางร่างกายนี้มันจะทรมานใจจะทำให้มีอารมณ์ไม่ดีมีความหงุดหงิดมีความรำคาญใจมีความเศร้า้อยน้อยเหงาว้าเวแต่ถ้าเรามาสร้างความสุขทางใจกันเราจะสามารถกําจัดความรู้สึกไม่ดีต่าง ที่เกิดจากการไม่ได้หาความสุขทางร่างกายได้ดังนั้นนอกจากรักษาศีลแปดแล้วจังต้องมาปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตะภาวนามาสร้างความสุขทางใจด้วยการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือที่เราเรียกว่านั่งสมาธิกับเจริญปัญญา อันนี้จะเป็นการสร้างความสุขทางใจขึ้นมาทดแทนความสุขทางร่างกายออพอเราได้ความสุขทางใจแล้วความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการไม่ได้หาความสุขทางร่างกายจะหายไปความหงุดหงิดลำคาญใจความว้าเหวความเศร้าส้อยงอยเหงาความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ จะหายไปหมดพอเราได้ความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่วิเศษกว่าความสุขทางร่างกายถ้าเราสามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่าให้เป็นอุเบกขาปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงได้ ใจของเราจะมีความสุขมากจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่ไม่ได้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่รู้สึกเดือดร้อนจากการที่ไม่ได้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่ไม่ได้ไปดูมห์รสพบันเทิงไปร้องลําทำเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปทากทเผ้าทําผมไม่รู้สึกเดือดร้อนจากการที่นอนไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าความสุขที่ได้จากทางใจนี้มันสามารถมาลบล้างความสุขที่ไม่ได้ที่ที่ได้จากทางร่างกายไปะ ทำให้ไม่รู้สึกเดือดร้อนจากการที่ไม่ได้มีความสุขทางร่างกายแล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ทุกวันต่อไปเวลาที่ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บร่างกายเราตายนี้เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยเพราะเราจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลา ความสุขที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกายกันนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะขวนขวายกันควรที่จะสร้างกันขึ้นมาเพราะว่าชีวิตของเรานี่จะเดินก้าวเข้าสู่ความแก่ก้าวเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยก้าวเข้าสู่ความตายกัน ถ้าเราไม่มีความสุขทางใจเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปนี้เราจะเดือดร้อนมากเราจะทุกมากเราจะทรมานใจมากแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเลยเราจะรู้สึกเฉยๆกับความความแก่กับความเจ็บกับความตายเพราะเรามีความสุข ทางใจเป็นที่พึ่งเราจึงไม่ต้องพึ่งความสุขทางร่างกายและจะทำให้เรานี้ไม่ต้องกลับมาพึ่งร่างกายอีกต่อไปร่างกายที่เรามีอยู่นี้ถ้ามันตายไปแล้วเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเราสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้อง มีร่างกายเรามีความสุขได้จากการทำใจให้สงบมีความสุขจากการรักษาความสงบนี้ไม่ให้หายไปให้อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคนพบแล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็นาเอามาเอยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ผู้ที่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำา อ, อกไปปฏิบัติก็จะได้พบกับความสุขเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเป็นความสุขที่มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าเท่ากันพระนิพพานของพระพุทธเจ้ากับพระนิพพานของสาวกนี้มีคุณค่าเท่ากันเหมือนกัน มีความสุขคือบรล ม, มสุขเหมือนกันนิ่บานังปรมังสุขขังเหมือนกันและผู้ที่จะมาเป็นสาวกนี้ก็ไม่ได้กําจัดอยู่ที่พระภิกษุเพียงเพียงส่วนเดียวผู้ที่มีความสามารถที่จะเจริญสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้ก็สามารถที่จะมีความสุขนี้ได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชนรืมเป็นผู้ครองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เพศเหล่านี้ไม่เป็นตัวที่ตัดสินการสร้างความสุขทางจิตใจเพราะจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยนี้เหมือนกันจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยนี้ไม่มีแต่อะไรแตกต่างกัน จิตใจของผู้หญิงกับจิตใจของผู้ชายก็เหมือนกันมีกิเลสเหมือนกันมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันมีความอยากต่างๆเหมือนกันและสามารถสร้างความสุขได้เหมือนกันถ้ามีความสามารถในการสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาก็จะสามารถสร้างความสุขทางใจได้เหมือนกันดังนั้น พวกเราทุกคนอย่าประมาทตัวเองอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้เป็นนักบวชหรือเราเป็นหญิงเราจะไม่สามารถที่จะสร้างความสุขทางใจเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายสร้างกันขึ้นมาได้เพราะสาวกของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ใช่มีแต่เพียงผู้ชายหรือนักบวชมีทั้งนักบวชมีทั้งผู้ครองเรือน มีทั้งพระภิกษุทั้งภิกษุณีมีทั้งอุโ บ, บสกอุบาสิกามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีสามเณรก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าเพศหรือวัยนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะมาะบังคับหรือห้ามไม่ให้สร้างความสุขทางใจ ความสุขทางใจเกิดจากการสร้างศีลสมาธิปัญญากันเอเอ็นสร้างศีลแปดกันศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยีิบเจ็ดการที่มีศีลต่างกันนี่เป็นเพียงเป็นเพียงแสดงถึงว่ามีเครื่องมือมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองศีลแปดก็มีเครื่องมือน้อยกว่าศีลสิบ สินสิก็มีเครื่องมือน้อยกว่าศินสองอยี่สิบเจ็ดพวกที่มีศินมีเครื่องมือมากกว่าย่อมสามารถสร้างความสุขได้เร็วกว่าเท่านั้นเองไม่มีความแตกต่างในทางอื่นสินแปด ก, ก็สร้างความสุขทางใจได้ศินสิบก็สร้างได้ศินสองอยี่สิบเจ็ก็สร้างได้แต่จะสร้างได้เร็ว กว่ากันเท่านั้นเองผู้ที่อยากจะได้เร็วๆก็มักจะไปบวชกันไปบวชเป็นพระภิกษุเป็นภิกษุณีสมัยนี้ไม่มีภิกษุณีเราก็บวชเป็นแม่ชีกันเหมือนกันภิกษุณีกับแม่ชีนี้ไม่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่มีศีลมากน้อยเท่านั้นเองถ้าเป็นภิกษุณีก็ต้องมีศีลถึงสามร้อยกว่าข้อเพื่อที่จะทาให ได้สร้างความสุขได้เร็วขึ้นแต่ศีลศีลแปดหรือศีลสิบ น, นี่ก็สามารถเป็นเครื่องมือสร้างความสุขได้เหมือนกันถ้าอยากจะรักษาศีลสามร้อยกว่าข้อก็กรักษาได้ไม่มีใครห้ามไปเปิดหนังสือดูไปเปิดหนังสือพระไตรปิฎกดูไปดูวินัยของภิกษณุณีดูศีลของภิกษุณีว่ามีอะไรบ้าง แล้วถ้าอยากจะปฏิบัติเป็นภิกษุณีก็รักษาศีลเหล่านั้นไปก็ได้ถือว่าเป็นภิกษุณีแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคนมาบวชให้การบวชนี้เป็นเพียงเป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองแต่ตัวเป็นตัวที่เป็นภิกษุณีเป็นพระนี้ไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมอยู่ที่ว่ารักษาศีลของพระภิกษุ หลือของหรือของพระภิกษุณีได้หรือไม่เอห็นพระภิกษุก็ต้องรักษา227ข้อะถ้าเป็นภิกษุณีก็ต้องรักษา300กว่าข้อเศีลนี้เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เรามีเวลามาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันถ้าไม่มีศีลรคอยกั้นไว้เดี๋ยวใจเรามักจะ ทะเลทลายไปทำเรื่องอื่นนั่นเองไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไปหาความสุขทางร่างกายแทนจึงต้องมีศีลซึ่งเป็นเหมือนรัว้วเป็นเหมือนกำแพงคอยกันไม่ให้ใจนี้ทะเลทลัยออกนอกลู่นอกทางให้ใจอยู่ในทางของการสร้างความสุขทางใจ ให้อยู่ในทางของการเจริญสติสมาธิปัญญานั่นเองดังนั้นถ้าท่านอยากจะเป็นภิกษุณีแต่ไม่มีใครบวชให้ท่านสามวะบวชให้ตัวเองได้ไปเปิดดูพระภิกษุณีในพระไตรปิฎกพระวินัยของภิกษุณีมีสามร้อยกว่าข้อด้วยกันอยากจะเป็นภิกษุณีก็รักษาศีลของภิกษุณีไปก็ได้เป็นภิกษุณีแล้ว อย่ามาบวชเป็นภิกษุณีเพื่อให้คนอื่นเขากร่าวไา้บูชาเราอันนี้กลายเป็นกิเลสไปการบวชนี้ไม่ได้มาบวชเพื่อให้คนเขายกย่องนับถือเราการบวชนี้เพื่อมาสร้างความสุขทางใจแต่คนไม่เข้าใจกลับไปยึดติดกับภาพของภิกษุภิกษุณีเห็นคนเขาเป็นภิกษุแล้วมีคนเคาับเคารนับถือ มีคนสนับสนุนด้วยปัจจัยสี่ก็เลยอยากจะได้อย่างนั้นเลยหลงไปแทนที่จะมาเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเพื่อจะได้มาสร้างความสุขทางใจก็กลับไปติดกับความสุขทางร่างกายจากการที่ได้รับราบสักการะจากผู้มีศรัทธาเช่นถวายข้าวของเงินทองต่างๆ ถวายอาหารจตุปัจจัยไทยทานต่างๆถ้าบวชเพื่อสิ่งเหล่านี้ก็หลงทางการบวชนี้ไม่ได้บวชเพื่อลาบส ก, การะการบวชนี้บวชเพื่อให้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจไม่ได้หวังให้คนเขาต้องมากราบไหว้บูชาคารพนับถือ ต้องการมีเวลาที่จะได้มาสร้างความสุขทางใจเท่านั้นดังนั้นท่านที่ยังยึดติดอยู่กับความเป็นภิกษุณีถ้าอยากเป็นภิกษุณีก็เป็นได้รักษาศีลของภิกษุณีไปก็ถือว่าเป็นภิกษุณีแล้วดีกว่าบวชเป็นภิกษุณีแล้วไม่สามารถรักษาศีลของภิกษุณีได้อันนั้นก็จะเป็นภิกษุณีทางเปลือก แต่ทางเนื้อนี่ไม่มีเนื้อของภิกษุณีอยู่เลยเนื้อของภิกษุณีหรือเนื้อของภิกษุนี่อยู่ที่ศีลออย่างภิกษุนีกนกนน่ก็มีศีนสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อภิกษุณีนี่ก็มีสามร้อยกว่าข้ออย่างวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันที่พระภิกษุจะต้องเข้าประชุมกัน เพื่อมาทบทวนศีล227ข้อกันเพื่อกันลืมถ้ามาถ้าไม่มาทบทวนกันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะลืมแล้วความภิกษุก็จะหายไปจะเหลือแต่เนื้อจะเหลือแตอ่เปลือกของภิกษุจะเหลือแต่ผ้าเหลืองจะเหลือแต่หัวโลนโลนแต่ศีล227นี้ หายไปไหนไม่รู้เนี่ยขอให้เราจงมองศีลว่าเป็นตัวที่จะทำให้เราเป็นภิกษุหรือเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกาไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ได้อยู่ที่การโกนศรีรษะหรือไม่เกานศรีรษะ ส่วนเหล่านี้เป็นเปลือกตัวเนื้อของผู้ที่เป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คือการรักษาศีลข้อต่างๆนั่นเองแม้แต่คารวะญาติโ ย, ยมถ้าจะถือตอนเองว่าเป็นพุทธะพุทธะก็ต้องมีศีลห้ า, าถ้าจะเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธนี้แต่ไม่รักษาศีลห้านี้ ก็เป็นพุทธแบบเปลือกเหมือนกันไม่มีเนื้อมีแต่เปลือกเรียกตนเองว่าเป็นพุทธแต่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเดิมสุรายาเมาอย่างนี้เราไม่เรียกว่าเป็นพุทธกันชาวต่างประเทศนี่เขาไม่ที่ไม่เคยมาเมืองไทยเขาได้อ่านเกี่ยวกับประเทศไทยว่าเป็นเมืองพุทธ มีชาวพุทธอยู่เก้าสิบเก้าเปอร์นด้วยกันเขาก็วาดภาพว่าเมืองไทยนี้จะเป็นเมืองที่มีศีลธรรมไปไหนจะมีแต่ศีลธรรมแต่พอมาถึงเมืองไทยแล้วกับกับจะเป็นลมเพราะมองไปไหนเจอแต่บาเจอแต่ผับเจอแต่อโกโก้เจอแต่ซ่องโสภีเต็มไปหมด แล้วเขาก็เลยงงว่าแล้วพุทธมันอยู่ที่ตรงไหน เ, เขาไปจดเขาไปดูจำนวนของพุทธที่ทะเบียนบ้านกัน เ, เวลาเขาสํารวจพุทธในเมืองไทยนี้เขาไปดูที่ทะเบียนบ้านดูคนที่ใส่เข้าไปในทะเบียนบ้านว่านับถือศาสนาอะไรเขาก็ใส่ว่าพุทธกันเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นพุทธกันมาก็พุทธตามกันมาโดยที่ไม่รู้ว่า ตัวพุทธจริงๆนั้นอยู่ตรงไหนตัวพุทธของจริงๆอยู่ที่การมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วมีการปฏิบัติการทำบุญให้ทานและรักษาศีลเป็นเป็นปกตินิสัยอันนี้แหละคือพุทธชาวพุทธเราต้องทำบุญทำทานแล้วก็รักษาศีล เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะเรียกว่าเป็นพุทธแท้แต่นี่ไม่ใช่พุทธแท้ถ้าพุทธแท้จะไม่มีการดื่มสุรายาเมาจะไม่มีการผลิตสุรายาเมามาขายจะไม่มีอบายามุกจะไม่มีใครเปิดบ่อนเปิดซ่องโสเภณีจะไม่มีใคร ทำอบายามุกต่างๆทำอาชีพต่างๆที่เป็นมิจฉาชีพแต่ความจริงมันก็เห็นอยู่กันชัดๆว่าถ้าสำรวจจริงๆตามมาตรฐานนี้ไม่รู้จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อยากเก้าสิบเก้าจุดเก้านี้ไม่รู้จะเหลือถึงสิบเปอร์เซ็นต์หรือไม่ที่ทำบุญทาทานรักษาศีลแล้ว ขาลบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระกันนี่คือเรื่องตัวอย่างของการเป็นพุทธของการมีศีลหรือไม่มีศีลไม่ได้อยู่ที่การแต่งกายบางคนก็แต่งชุดขาวกันแต่ไม่รู้ว่ารักษาศีลของชุดขาวได้ครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่า บางทีเดี๋ยวตอนเย็นไปกินข้าวเย็นกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นชุดชุดขาวแล้วชุดขาวนี่เขาจะถือศีลแปดกันเพราะฉะนั้นขอให้เราอย่าไปมองตรงเปลือกของของศีลขอให้เรามองเนื้อเนื้อของศีล ถ้าเราอยากบวชเป็นภิกษุณีเราบวชได้เราบวช เ, เองสิทาไมถ้าไม่มีใครบวชให้เราเราก็บวชเองได้สมัยนี้เรามีหนังสือมีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติศีลสามร้อยกว่าข้าวของภิกษุณีเราอยากเป็นภิกษุณีเราก็นักษาศีลสามร้อยกว่าข้อของภิกษุณีเราก็เป็นภิกษุณีแล้วดีกว่า นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วแต่ไม่รักษาศีลของภิกษุณีหรือของภิกษุะเห็นหม่สมัยนี้มีคนนุ่งเหลืองห่มเหลืองกันแต่ไม่มีศีลของภิกษุแล้วเป็นไงก็ถูกจับสึกกันไปอยู่เรื่อยๆอไปตอนเช้าก็ใส่ชุดเหลืองออกบินทบาทพอกลับมาบ้านก็นั่งดื่มสุราเปิดวงเล่นการพนันกันตำรวจเข้ามา เห็นเขาก็จับไปสึกกันเพราะนี้ไม่ได้เป็นพระเนี่ยเป็นพระเพียงแต่เปลือกแต่ตัวของพระนี่ไม่มีตัวของพระก็คือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันฟังปฏติโมกเช่นวันนี้เป็นวันฟังปฏติโมกของพระภิกษุพระภิกษุทุกลูกที่อยู่ทุกวัดทุกแห่งทุกหนนี่จะต้องมาประชุมกัน แล้วก็มาทบทวนศีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้อของพระว่ามีอะไรบ้างจะมีพาะรูปหนึ่งนี้ท่านจะเป็นผู้ท่องแล้วพาะทั้งหลายก็ฟังกันข้อที่หนึ่งมีอย่างนี้ข้อที่สองมีอย่างนี้ท่องไปจนถึงครบสอง้อยยี่สิบเจ็ดข้อด้วยกันวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีในการฟังพาะปฏิโมก สาเหตุที่จะต้องมาคอยฟังกันอยู่เรื่อยๆเพราะใจเราชอบลืมกันถ้าเราไม่ฟังไปแล้วเดี๋ยวเราลืมว่าข้อศีลของพระนี่มีอะไรบ้างต้องมาคอยฟังอยู่เรื่อยๆสำหรับคารวาญาติโยมก็ต้องคอยเข้าวัดมาสมาทานศีลห้าศีลแปดกันอยู่เรื่อยๆเพราะชอบลืมกันเหมือนกัน พอออกจากวัดไปก็ลืมละขนาดศีลแค่ห้าข้อนี้ยังจำไม่ได้กลับไปบ้านเดี๋ยวก็ตบยุงกันละเดี๋ยวก็โกหกกันละดีไม่ดีเดี๋ยวเย็ยนก็ดื่มสุรากันละเนี่ยชอบลืมกันถึงต้องมาวัดมาสมาทานศีลห้าศีลแปดกันในวันพระกันเพื่อจะได้ไม่ลืมเพื่อจะได้มีตัวพุทธอยู่ในอยู่ในในตัวของเรา อย่ามีแต่พุทธในทะเบียนบ้านอย่าเป็นพุทธที่เปลือกให้เป็นพุทธที่เนื้อพุทธที่เนื้อก็ต้องนี่แหละต้องมาทบทวนมาสมท า, านศีลกันทุกวันพระกันศีลห้ามีอะไรบ้างถ้าเราอยู่ในระดับศีลห้าเราก็ทบทวนแค่ศีลห้าถ้าเราอยู่ในระดับศีลแปดเราก็ทบทวนศีลแปดกัน แล้วรักษาตามที่เราถือไว้ถ้าเราถือศีลห้าก็รักษาให้ได้ศีลห้าก็มีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาศีลแปดก็เพิ่มอีกสามข้อและเปลี่ยนข้อที่สามจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นไม่ประพฤติให้ประพฤติพรหมจรรย์ คือละเว้นจากการเสพกามละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนแล้วก็เพิ่มสีลข้อ 6, ข้อเจดข้อ8ดังที่ได้อธิบายให้ฟังเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจถ้าเราไม่ห้ามการสร้างความสุขทางร่างกายเราจะไม่หยุดกันเพราะ เราหาความสุขทางร่างกายกันมาจนติดเป็นนิสัยจนถึงขนาดว่าพอวันไหนไม่ได้หาเราจะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีคนที่เคยดื่มโซราทุกวันนี้พอไม่ได้ดื่มนี้จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีคนที่ดูภาพยนตร์ดูละครทุกคืนพอไม่ได้ดูเพียงคืนเดียวก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาคนที่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตน พอไม่ได้ร่วมหลับนอนก็จะรู้สึกทุกขึ้นมาดึงเราจึงต้องบังคับตัวเราเองถ้าเราอยากที่จะสร้างความสุขที่ถาวรสร้างความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้เราต้องบังคับตัวเองไม่มีใครสมัครใจทำด้วยความสมัครใจเรื่องของการรักษาศีลห้าศีลแปดเป็นเรื่องของที่เราต้องบังคับตัวเราเอง ด้วยการใช้ด้วยการอาศัยคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้ามีความศรัทธาเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสโรนี่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับพระพุทธเจ้าและกับพวกเราถ้าพระพุทธเจ้าได้สิ่งที่ดีจากการรักษาศีลพวกเราก็ควรที่จะรักษาศีลกันเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าการไม่รักษาศีลนี้ มันมีโทษมันมีทุกข์ตามมาแต่การไม่รักษาศีลนี้จะสามารถกำจัดโทษด้วยความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปนี้ไม่ให้เกิดขึ้นตามมาได้นี่เราต้องเชื่อแล้วเราจะได้บังคับตัวเราเองถ้าเราไม่บังคับตัวเราเองนี้มันจะไม่ทำมันจะทำตามแบบรูปแบบเดิม เคยเดิม่มโซลาก็จะเดื่มไปเรื่อยๆ เ, เคยรับประทานอาหารเย็นก็จะรับประทานเคยดูหนังฟังเพลงก็จะดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจแล้วพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีจะทุกข์จะเดือดร้อนกันจะวุ่นวายใจกันจะ กุ้ม อ, อกกุ้มใจกันอเพราะไม่มีความสุขแล้วแล้วก็ไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจกันไม่รู้จักสร้างความสุขทางใจกันดังนั้นในวันพระนี้พวกเราจึงต้องมาบังคับตัวเราให้เข้าวัดกันให้มาสมาทานศีลห้าศีลแปดกันถ้าเรายังไม่เคยมีศีลห้าก็มาสมาทานศีลห้าก่อนวันนี้ เรามาถือศีลห้ากันถ้าไม่เคยถือศีลห้าเช่นคนที่ดื่มสุรายาเมาวันนี้ไม่ดื่มสุรายาเมาหนึ่งวันคนที่ชอบไปเที่ยวไปหาความสุขทางร่วมหลับนอนกับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองก็วันนี้ก็ยุติหนึ่งวันละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณียังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่คร อ, องของตนได้ แล้วถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วอยากจะขยับขึ้นสู่ศีลแปดวันพระก็ลองมารักษาศีลแปดกันแต่การรักษาศีลแปดนี้ไม่ให้รักษาศีลแปดเพียงอย่างเดียวรักษาศีลแปดแล้วจะต้องมาบำเพ็ญจิตตภาวนามาสร้างความสุขทางใจกันเพราะถ้ารักษาศีลแปดแล้วเราไม่มาสร้างความสุขทางใจนี้มันจะทรมานใจ แล้วมันจะไม่สามารถที่จะรักษาได้นั่นเองรักษาเพียงครั้งสองครั้งก็ยกธงขาวแล้วไม่เอาแล้วแต่ถ้ารักษาสีนแปดแล้วเอาเวลาที่ได้จากการรักษาสีนแปดนี้มานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาถ้าทำใจให้สงบได้แล้วจะติดใจจะมีความสุขจะมีความสุขมากกว่าตอนที่กว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยว จะได้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายก็จะทําให้เห็นคุณค่าของการรักษาศีลแปดและจะไม่รู้สึกทรมานใจในการรักษาศีลแปดเลยจะรักษาได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนแต่ต้องภาวนาให้ได้ต้องทําใจให้สงบทําให้ใจมีความสุขให้ได้ความสุขของใจเกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้นี้ต้องมีเครื่องมือ หยุดมันถ้าไม่มีเครื่องมือหยุดมันมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ใจนี้เปรียบเหมือนกับรถที่วิ่งลงเขารถที่วิ่งลงเขานี่ถ้าไม่มีเบรกมันจะหยุดมันไม่ได้มันจะวิ่งของมันไปและแหกโคง้งตกเหวไปใจก็เหมือนกันใจที่คิดนี้ถ้าไม่มีเบรกมันก็จะไม่หยุดคิดความคิดนี้แหละที่เป็นเหมือนรถ หยนมันคิดอยู่ตลอดเวลาใจของเรานี่ชอบคิดกันคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับคิดแล้วก็เกิดอารมณ์วุ่นวายต่างๆขึ้นมาไม่มีความสุขจากความคิดเลยแต่ก็ยังอดที่จะคิดไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าการหยุดคิดนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจถ้าอยากจะหยุดคิดต้องมีเครื่องมือต้องมีเบรก ของใจเวรของใจนี้เราเรียกว่าสติถ้ามีสติเราจะสามารถหยุดความคิดได้ถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องใช้การสวดมนต์ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นเครื่องมือสร้างสติขึ้นมาเพราะเวลาที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือเราสวดมนต์ไป เราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้นั่นเองก็เป็นการาหยุดความคิดเรื่องต่างๆด้วยการใช้ความคิดในการพุทธโธหรือในการสวดมนต์พอเราหยุดความคิดจากเรื่องต่างๆได้ใจของเราก็จะสงบเพราะความคิดที่เกิดจากการสวดมนต์หรือความคิดที่เกิดจากคําบริกรรมพุทธโธนี้จะไม่ทําให้ใจฟุง้งซ่านแต่จะทําให้ใจสงบ พอใจสงบปั๊บการสวดมนต์หนื้อคำบริกรรมพุโทโธก็หยุดไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องสวดอีกต่อไปไม่ต้องบริกรรมพุโทโธต่อไปใจนิ่งสงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมีความสุขอย่างมากควนความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เหนือกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มสุรายาเมาเหนือกว่าความสุขที่ได้รับประทานอาหารมื้อค่้นมื้อเย็นเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูหนังฟังเพลงร้องล้ำทำเพลงเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผม เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการหลับนอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆเนี่ยนะี่แหละผู้ที่ได้ความสงบแล้วจะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรเหมือนกับผู้ที่ไม่มีความสงบผู้ที่ไม่มีความสงบนี้จะโอ้ยจะต้องมีของร้อยแปดพันประการมีเครื่องมีเสื้อผงเสื้อผ้าอาภรรองเท้ากระโปง๋งกระเป๋า เครื่องเพชรนินจินดาเครื่องสำอางน้ำมันน้ำหอมแล้วก็เครื่องโมหรสพบันเทิงต่างๆอาหารการกินอาหารแบบพิสดารเครื่องดื่มแบบพิสดาร น, นี่เป็นการหาความสุขของผู้ที่ไม่มีความสุขทางใจแต่ผู้ที่มีความสุขทางใจนี้กินง่าย ดื่มน้ำเปล่าก็อยู่ได้อาหารอะไรก็ได้ไข่ทอดไข่เจียวจิ้มน้ำปลาก็กินได้อยู่ได้ผักต้มจิ้มน้ำปลากินเพื่อให้มันอิ่มเท่านั้นไม่ได้หวังความสุขจากการกินเพราะมีความสุขที่ดีกว่าจากการทำใจให้สงบเนียความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันทำให้ไม่หิวโหยกับ รสชาติของอาหารต่างๆกินอาหารไม่ได้กินเพื่อความสุขกินเพื่อดับความทุกข์ของความต้องการของร่างกายเท่านั้นเองดับความหิวของร่างกายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้กินเพื่อความสุขของใจใจมีความสุขที่เด็ดที่ดีกว่าที่วิเศษกว่าจากการ จากการรับประทานอาหารจึงไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารแบบพิสดารพวกเราที่ต้องไปแสวงหาอาหารพิสดารกันเปิดพิสดารบ้างแชว่ชวนชิมบ้างเป็นพวกที่ไม่มีความสุขทางใจกันพวกที่หาความสุขทางใจไม่เป็นเลยต้องหาความสุขทางร่างกายทางลิ้ น, นต้องหาความสุขจากการสัมผัสลิ้มรสอาหารชนิดต่าง ถึงจะมีความสุขถ้าให้รับประทานอาหารธรรมดาธรรมดานี้จะรับประทานไม่ลงถ้าให้รับประทานไข่ต้มจิ้มน้ำปลานี้จะรับประทานไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นความสุขต้องรับประทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนมีมันมีเค็มมีเปรี้ยวมีหวานานี่เป็นการเสบรูปเสียงกลิ่นรส ไม่ได้เสพไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อเยียวยารักษาความหิวของร่างกายแต่รับประทานความหิวโหวยของกิเลสตัณหากิเลสที่กิเลสที่เราเรียกว่ากามฉันทะความอยากในกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารนั่นเอง น, นี่เป็นวิถีชีวิตของผู้ที่ยังไม่มี ความสุขทางใจไม่มีความสงบแต่ผู้ที่มีความสงบทางใจแล้วจะกินอยู่แบบง่ายกินก็ง่ายอยู่ก็ง่ายอยู่ที่ไหนก็ได้มีที่หลบแดดหลบฝนอย่างผู้ปฏิบัติธรรมบนเขานี้ก็มีแค่ให้นอนมีแค่การแดดการฝนเท่านั้นเองไม่มีฝาไม่มีประตูไม่มีอะไรใช้แค่แล้วก็กางมุ้ กลางม้งกลางกรดนั่งสมาธิกันมีทางเดินจงกรมให้เดินเปลี่ยนอิริยบทอันนี้ก็พอแล้วสำหรับผู้ที่มีความสุขทางใจแต่ถ้าผู้มีความสุขไม่มีความสุขทางใจนี้จะต้องสร้างบ้านเป็นเข้ารหัสใหญ่โตต้องเป็นบ้านที่หรูหราสวยงามมีห้องร้อยแปด ห้องมีห้องสำหรับนอนสำหรับเล่นสำหรับกินสำหรับดื่มสำหรับทำงานสำหรับอะไรร้อยแปดพันประการนี่คือสภาพของใจที่ไม่มีความสุขในตัวเองเลยต้องไปหาความสุขภายนอกแล้วแทนที่จะเป็นความสุขก็กลายเป็นความทุกข์เพราะว่าของเหล่านี้มันไม่ได้มาเหมือนฝนตกมันต้องหามา ว่าจะหามาได้นี่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำมาหากินหาเงินหาทองมาหามาได้แล้วก็ยังต้องมาคอยดูแลรักษามันอีกเพราะของพวกนี้พอสร้างเสร็จแล้วมันก็ต้องดูแลทำความสะอาดแล้วใช้ไปไม่นานเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันก็เสียอีกต้องซ่อมต้องแซมกันอีกมีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลากับการหาความสุขทางร่างกาย ไม่เหมือนกับความสุขทางใจนี้ได้มาแล้วมันไม่มีวันเสื่อมมันไม่มีวันเสียไม่ต้องซ่อมไม่ต้องบุรณะซ่อมแซมไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขมันแสนง่ายแสนจะสบายกันแต่เรากลับเห็นว่ามันยากกันส่วนของที่มันยากกันเรากลับเห็นว่ามันง่ายกันคิดดูซิกว่าจะหาเงินมาได้สักก้อนหนึ่งมาซื้อบ้านสักหลังหนึ่ง มันเหนื่อยยากขนาดไหนแล้วการหาความสุขจากการนั่งพุทโธพุทโธเพียงไม่กี่ชั่วโมงจะพอใจสงบปับ๊บมันก็ได้ความสุขขึ้นมาแล้วอันไหนมันง่ายกว่ากันของง่ายกับไม่กลับไปเห็นว่ามันเป็นของยากของยากกลับไปเห็นว่ามันเป็นของง่ายก็เลยต้องไปทุกข์ไปยากไปลําบากกันไปวุ่นวายกันของง่ายกับไม่มาทํากัน เพราะไม่รู้ว่ามันง่ายเพราะไม่เคยทำแล้วไม่อยากทำเนี่ยความไม่เคยทำและความไม่อยากทำนี่แหละมันทำให้มันรู้สึกว่ามันยากคนเราชอบทำอะไรที่เราเคยชอบที่เราทำกันมามันติดเป็นนิสัยเช่นเราถนัดมือขวานี้เราก็จะชอบใช้แต่มือขวาเราจะไม่ชอบใช้มือซ้าย พอถ้าใเราใช้มือซ้ายนี่เรารู้สึกว่ามันยากเพราะเราไม่เคยใช้มันแต่คนที่เขาใช้มือซ้ายมาตลอดเขาก็ไม่เห็นว่าเขายากตรงไหนเขาก็ใช้มือซ้ายได้อย่างสบายเพราะว่าเขาเคยชินกับมือซ้ายจะให้เขามาใช้มือขวาเขาก็ว่ายากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมือขวาเราเสียไปใช้มือขวาไม่ได้เราก็ต้องมาหัดใช้มือซ้าย ถ้าราหัสใช้ไปสร้างระยะหนึ่งเดี๋ยวไม่นานเราก็ใช้มือซ้ายได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกับเราใช้มือขวาแม้แต่ไม่มีมือบางคนยังใช้เท้าแทนมือก็ได้เลยมีจิตกรบางคนที่วาดภาพด้วยเท้าเนี่ยสวยงามกว่าคนที่วาดด้วยมือด้วยซ้าไปเมื่อเขาไม่มีมือไม่มีแขนเขาก็ใช้เท้าวาดผู้ที่วาดไม่ได้เป็นแขนเป็นขาเป็นมือ ผู้ที่วาดก็คือจิตจิตเป็นผู้สั่งให้วาดสั่งให้มือให้เท้าวาดเท้ามาเองมือเองมันวาดเองไม่ได้จิตถนัดมือขวามันก็จะใช้แต่มือขวาจิตถนัดมือซ้ายก็จะใช้แต่มือซ้ายแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องมาหัดใช้มือขวาหรือมือซ้ายก็หัดใช้ได้แล้วหัดไปใช้ไม่นานมันก็ใช้ได้อย่างชนานาญ อย่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายท่านก็เหมือนกันเมื่อก่อนท่านก็ไม่ถนัดหาความสุขทางใจกันท่านก็ถนัดหาความสุขทางร่างกายกันแต่พอท่านเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้มันเป็นทางตันเดี๋ยวมันจะต้องมีวันจบมีวันหมดแล้วจะต้องทุกเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ท่านจึงบังคับตัวเองให้หัดมาหาความสุขทางใจ การจะมาสร้างความสุขทางใจนี้เราต้องบังคับมันเราต้องหัดทำให้ได้มันไม่ยากเพราะตัวที่มาหัดก็คือตัวใจนี่แหละตัวจิตจิตมันเคยหัดหาความสุขทางร่างกายมาจนมันชินมันคล่องแคล่วว่องไวพอให้ไปเที่ยวนี้มันปั๊บไปเลยพอให้มันไปวัดไปนั่งสมาธินี่โอ้เหมือนต้องฉุดลากขึ้นภูเขาเพราะมันไม่เคยมันไม่อยากไปแต่เราต้อง ใช่เหตุใช้ผลมาสอนใจมาโน้มน้าวจิตใจว่าการทำการหาความสุขทางใจนี้มันจะเป็นผลดีต่อไปพอเราหาได้แล้วเราจะหาได้ไปเรื่อยๆไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายจะเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนกําลังเงินกําลังทรัพย์ของเรามีหรือไม่มีเราจะไม่เดือดร้อ น, งง น, ออออนแต่ถ้าเรายัง หาความสุขทางร่างกายอยู่นี้เราจะมีแต่เรื่องให้เราเดือดร้อนกันเหลือพอเงินทองขาดไม้ขาดมือก็เดือดร้อนหรือเวลาคนที่เรารักไม่อยู่กับเราไปอยู่กับคนอื่นนี้เราก็เดือดร้อนหรือเวลาที่ร่างกายเราแก่หรือเจ็บหรือตายนี้เราก็จะเดือดร้อนกันแต่ถ้าเรามาหาความสุขทางใจนี้จะไม่มีอะไรเสื่อมเลย เพราะว่าของที่เราใช้การสร้างความสุขทางใจนี้มันไม่มีวันเสื่อมสติสมาธิปัญญานี้ไม่เสื่อมถ้าเรารู้จักสร้างมันรู้จักรักษามันมันจะไม่มีวันเสื่อมแล้วความสุขที่ได้จากการสร้าง ส, สติสร้างสมาธิปัญญานี้มันก็จะอยู่ไปอย่างถาวรอยู่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นขอให้พวกเราบังคับตัวเราเองมาหัดทำ หาความสุขทางใจแต่มันเท่ากันมันยากง่ายเหมือนกันการหาความสุขทางพูดความจริงหาความสุขทางใจนี่มันง่ายกว่าเยอะเพราะมันไม่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือมากเหมือนกับการหาความสุขทางร่างกายหาความสุขทางร่างกายนอกจากมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วยังต้องมีเงินทองอยังต้องมีสิ่งของอะไรต่างๆที่เราต้องการ มันถึงจะได้ความสุขทางร่างกายกันแต่ความสุขทางใจนี้เราไม่ต้องมีอะไรมากขอให้เรารักษาศีลแปดให้ได้และให้เราไปอยู่คนเดียวให้ได้เพื่อที่เราจะได้มาฝึกเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาพอเรามีเวลามาเจริญสติเจริญสมา ธ, เมาธิเจริญปัญญาเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบด ง, งทันที พอสงบแล้วเราก็เหมือนกับได้ความสุขจากการมีคอนโดมีบ้านครหหสาตอันใหญ่โตจากการมีอาหารอันโอชะมารับประทานดีกว่าเสียด้วยซ้ําไปความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันไม่มีตัววุ่นวายตัวแปรตัวอะไรมากมายไม่ต้องใช้เครื่องมือมากขอให้เรามีเวลาเท่านั้นเองและมีคนสอน มีคนบอกวิธีสร้างความสุขแบบนี้เพราะเราไม่เคยสร้างความสุขแบบนี้มาเราต้องอาศัยคนที่เขาสร้างเป็นมาสอนเรามาบอกเราเหมือนกับเราไปเล่นกีฬาเราก็ต้องมีคนสอนถ้าเราไปตีไปเล่นเองเราก็เล่นแบบผิดผิดถูกๆูกก็จะไม่ได้ผลดีเท่ากับการที่มีครูสอน ดังนั้นขอให้เราอย่าไปคิดว่าการมาสร้างความสุขทางใจนี้เป็นสิ่งที่ยากเย็นขอให้คิดว่ามันง่ายกว่าการสร้างความสุขทางร่างกายเพียงแต่ว่าเราต้องบังคับเพราะว่าเราไม่ถนัดเราไม่เคยหาความสุขทางใจกันก็เลยรู้สึกมันยากเท่านั้นเองแต่ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายเพราะเราเริ่มเกิดความชิน เกิดความชำนาญกับการสร้างความสุขเบื้องต้นก็สร้างรักษาศีลแปดกันแล้วก็มาพุทพุโทโธพุโทโธกันไม่ต้องทําอะไรเอาแค่พุโทโธคําเดียวท่านี้แหละเมืาอยู่วัดหรืออยู่ที่ไหนคนเดียวไม่มีใครมายุ่งกับเราแล้วตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าเกิดความคิดแล้วมันจะเกิดความอยากตามมาพอเกิดความอยากแล้วมันจะเกิดความทรมานใจตามมามันจะทำให้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะพอคิดถึงเพื่อนก็อยากจะไปหาเพื่อนพอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผทะพะก็อยากจะไปหารู ป, ปเสียงกลิ่นรสผดทะพะถ้าเราปล่อยให้คิดแล้วเราก็จะไม่สามารถเดินจงกรมบริกรรมพุทโธพุทโธได้ นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ถ้าเราไม่มีคําบริกรรมพุทโธเราต้องพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปให้คิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเวลานั่งสมาธินี้มันจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วพอสงบแล้วก็ไม่ต้องพุทโธมันหยุดไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับการรับประทานอาหาร พอรับประทานอิ่มแล้วก็ไม่รับประทานอีกต่อไปหยุดรับประทานได้เพราะอิ่มแล้วไม่ต้องการจะรับประทานแล้วพอจิตสงบแล้วเป็นหนึ่งแล้วเป็นอุเบกขาแล้วคำบริกรรมพุทโธก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายต่อไปก็สามารถอยู่เฉยๆได้อย่างสุขอย่างสบาย <c oughs> แล้วถ้าเราทําบ่อยๆทาเรื่อยๆต่อไปเราก็จะชนานาญ ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายเรามาหาความสุขทางใจได้ทุกวันแต่ในเบื้องต้นนี้เรามาหาความสุขทางใจในวันพระกันก่อนถ้าวันพระมันไม่สะดวกมันไม่ตรงกับวันหยุดทำงานก็เอาวันหยุดทำงานเป็นวันพระของเราเพราะวันพระนี้จะเคลื่อนไปเรื่อยๆเช่นวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์แต่วันพระหน้าก็จะเคลื่อนไปเป็นวันจันทร์ เกินไปเป็นวันอังคารต่อไปถ้าเราไปทำงานมันก็อาจจะไม่สะดวกต่อการรักษาศีลห้าต่อการปฏิบัติสร้างความสุขทางใจเราก็ต้องเอาวันพาคของเราเป็นวันหยุดทำงานของเราที่เราจะได้ไปอยู่วัดหรือไปอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้แล้วก็รักษาศีลแปดไปแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ แต่ใจก็บริกรรมพุทโธ ท, ทั้งสองอิริยาบถเดินจงกรมก็พุทโธพุทโธไป <c oughs> นั่งสมาธิก็พุทโธพุทโธไปทํากิจกรรมอะไรที่ต้องทําก็พุทโธไปเช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารกับพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วใจจะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกว้าวเว จะมีความสุขในครับความเพลิดเพลินกับการอยู่ตามลำทังอยู่กับการเดินจงกรมอยู่กับการนั่งสมาธิถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วรับรองได้ว่าจะได้ที่พึ่งทางใจจะได้ความสุขทางใจแล้วก็จะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหา แล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไม่กลับมามีร่างกายอีกเพราะการมีร่างกายมันไม่ดีมันเหนื่อยต้องแบกมันต้องเลี้ยงดูมันแล้วยังต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกเนี่ยพราะพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายท่านจะไม่กลับมามีร่างกายกันเพราะท่านไม่จําเป็นจะต้องใช้ร่างกายท่านมีความสุขทางใจแล้วไม่ต้องหาความสุขทางร่างกาย พราะความสุขทางใจนี่ดีกว่าความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาดังนั้นพวกเราขอให้พวกเราเ <Yep. S 2> ชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพออร Hessen ะอรหันตสาบกเชื่อพระธรรมคำสอนที่สอนให้พวกเรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันให้เราละการหาความสุขทางร่างกายแล้วให้มาหาความสุขทางใจกัน ด้วยการเริ่มต้นในวันพระวันพระหรือวันหยุดทํางานของเรามาหาความสุขทางใจกันสักวันหนึ่งหยุดการหาความสุขทางร่างกายกันสักวันหนึ่งมาชิมดูนี่พระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเชลชวนชิมพระพุทธเจ้าไปชิมมาแล้วว่าความสุขทางใจนี้วิเศษกว่าความสุขทางร่างกายขอให้มาลองชิมดูชิมแล้วจะติดใจคนที่ชิมแล้ว ก็จะติดใจกันทุกคนกลายเป็นพระอาลานตสาวกกันขึ้นมานี่คือเรื่องของการที่เรามาวัดกันในวันนี้เรามาเพื่อเราจะได้ศึกษาได้เรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรลําดับต่อไปจะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคําถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขอยุติการถามตอบปัญหาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านจงถ้าอยากจะถามถามในช่วงนี้ ถ้ายังไม่มีใครถามจะให้ทำถามทางบ้านเข้ามาก่อนก็ได้วันนี้ทางเฟซเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เหลือหึงว่ายแสิบแปดคนคะ่ะตอนแรกประมาณสามร้อยสิบคนคะ่ะอ่าอ่าพูดอ่าแล้วทางเฟซไอทางยูทูบเหรอ คำถามจากทางอินบ็อกนะคะจากคุณจิตดิฉันนั่งสมาธิได้เจ็ดชั่วโมงทรมานมากก็อดทนต้องการข้ามเวทนาเคยได้ยินว่าถ้าเวทนาขาดแล้วนั่งต่อไปจะไม่เจ็บไม่ปวดอีกสุดท้ายทนไม่ไหวต้องออกการที่จะบรรลุธรรมนั้นต้องมาทางนี้ทางเดียวใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ถ้าต้องการที่จะผ่านเวทนาก็ต้องเจอเวทนาแล้วก็ใช้สติหรือใช้ปัญญา สอนใจให้ปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางเวทนาได้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเวทนาตาที่เราเดือดร้อนเพราะเรายังปล่อยมันไม่ได้เรายังมีความอยากให้มันหายอยู่วันนี้ก็เลยยิ่งทาให้เราทรมานใจขึ้นมาถ้าเราสามารถหยุดความอยากให้มันหายได้ใจเราจะเฉยๆวิธีที่จะทำให้มันหยุดความอยาก ให้เวทนาหายก็มีสองวิธีเช่นใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดความเจ็บมันก็จะหายไปแต่บัญหายแบบชั่วคราวเวลาที่เราหยุดบริกรรมความอยากให้มันหายมันก็จะกลับมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าเวทนานี้เป็นของที่เราไปกาจัดไม่ได้ไปควบคุมบังคับไม่ได้ แต่มันไม่มันไม่ร้ายแรงมันไม่ร้ายกาดเราอยู่กับมันได้เราต้องสอนใจให้เราอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปอยากให้ม in ันหายมันมาก็ให้มันมาอยู่กับมันไปต้อนรับมันอย่าไปขับไล่สายส่งอย่าไปอยากให้มันหายแล้วมันจะทำให้เราทรมานใจถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายมันมาก็มาอยู่ก็อยู่ไปก็ไป ถ้าอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์กับความเจ็บของทางร่างกายคําถามสกุลปลาโลมาบ้านหนูอยู่เชียงใหม่หนูเพิ่งเข้ามาทํางานในกรุงเทพตอนนี้มีความทุกข์ประสบปัญหาด้านชีวิตทํางานได้สามวันตอนนี้ไม่มีเงินไปทําเงินนะทํางานเลยอยากขอเมตตา อ, อนุเคราะห์ค่ะน่าจะขอคําแนะ น, นะะําค่ะขอเงินเหรอ <laughs> ก็อยู่แบบคนที่ก็ไม่ใช้เงินพระสององค์เจ้าท่านก็ไม่ต้องใช้เงินท่านก็มาทํางานทางใจแทนมานั่งสมาธิมาพุทโธพุทโธกันถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลําบากทางร่างกายอดมื้อกินมื้อก็อยู่ได้คําถามจากคุณพิมพ์เพิ่มพงพระโสดาบันตัดการมารมณ์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับอ๋อยังไม่ได้ตัดเลยเพราะยังไม่ได้ ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นผู้ที่จะตัดกามรมณ์นี้ต้องเป็นพระโสดอาบันแล้วแล้วก็จะก้าวขึ้นสู่ขั้นพระสกิดาคามีถ้าขึ้นสู่พระสกิดาคามีก็แสดงว่าตัดกามรมณ์ได้ประมาณครึ่งหนึ่งคือทําให้เบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดผู้ที่จะทําให้หมดนี้คือพระนาคามีคือขั้นที่สามพระนาคามีนี้จะเห็นสุอสุภาษตลอดเวลา เวลาเห็นร่างกายของคนที่เรารักเราชอบนี่จะเห็นเป็นซากศพไปทันทีก็เลยจะไม่มีความรู้สึกอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาอยากจะให้เขามาเป็นแฟนเราแต่ถ้าเป็นภาษากิดาคาเมนี้บางทีก็เผลอบางทีก็ไม่เผลอเวลาไม่เผลอก็เห็นเป็นซากศพเวลาเผลอก็เห็นเป็นนางฟ้าเทวดา ข้อที่สองอารมณ์สมาธิสงบแบบตกหลุมบ่อนั้นยังมีอารมณ์ปิติสุขอยู่หรือไม่ครับก็ลองทำดูเลยมันก็จะไปบอกมีไม่มีมันก็มันบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีแต่ถ้ามันสงบเต็มที่จริงๆแล้วมันจะมันจะไม่มีมันจะเป็นอุบเบกขาเพียงอย่างเดียวคำถามจากผู้ทวนกระแสะโลก แมวมาออกลูกที่บ้านแล้วถ้าเราแจกจ่ายลูกแมวให้กับคนที่เขาอยากรับไปเลี้ยงจะเป็นการพลาดแม่พลาดลูกจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกถ้าให้ถ้าไปเลี้ยงแล้วมันอยู่ดีกินดีเพราะว่าถ้าอยู่กับเราเราเลี้ยงมันไม่ได้แล้วมันอดอยากขาดลำบากก็ให้มันไปอยู่กับคนที่เขายินดีที่จะเลี้ยงจะดีกว่าเรื่องสัตว์นี่เขาไม่ค่อยกังวลกับเรื่องการพลาดพลาดแจ ก, กันหรอกเพราะธรรมชาติของสัตว์ พอมันเป็นตัวของมันเองมันก็ไปแล้วตัวใครตัวมันนะคำถามจักคุณชาญชายัยการที่เรารู้สึกถึงความสุขทางใจในการตามสติในลมหายใจสุดท้ายถ้าเราตายไปเราจะไปเกิดที่ไหนหรือเป็นอะไรครับอย่าไปสนใจนะมันว่ามันแต่ละคนมันจะไปหลายจุดด้วยกันมันไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจสุดท้าย มันอยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้แล้วบุญแลบาปนี่มันจะมาบวกลบคูณหารกันในบานปลายของชีวิตเหมือนกับสิ้นปีเวลาที่เราคิดบัญชีของบริษัทเราว่าปีนี้เรากำไรหรือขาดทุนรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือเปล่าถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็แสดงว่าขาดทุนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาโป ถ้ารายรายรายรับมากกว่ารายจ่ายก็กำไรก็มีโบนัสแจกกันก็ได้ไปเที่ยวกันบุญกับบาปก็เหมือนกันเหมือนกับรายรับรายจ่ายถ้าบุญมากกว่าตายไปก็ได้ไปเที่ยวกันไปบุญเป็นรายรับก็เหมือนได้ไปเที่ยวสวรรค์ถ้ารายรายจ่ายมากกว่าคือบาปก็ต้องไปติดคุกกันไปใช้หนี้ในอาบายกันไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกกัน นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจสุดท้ายที่จะมาเปลี่ยนแปลงบัญชีบุญบาปได้เหมือนกับเราทําบัญชีนอกจากเราโกงเราเขียนตัวเลขเข้าไปเองสิ้นปีอ้ามันขาดทุนก็เขียนให้มันกําไรแต่มันเขียนไม่ได้หรอกมันคนอื่นเข้ามาตรวจบัญชีเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ดังนั้นกฎแห่งกรรมก็ไปเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่ว่าล ม, ลมสุดท้ายทําบาปมาทั้งชาติเพราะลมสุดท้ายมันทําให้มันเดันบุญขึ้นมานี่มันทําไม่ได้หรอก มันมันต้องเป็นไปตามบุญบาปที่เราสะสมมาในแต่ละวันนี้เพราะพระพุทธเจ้าึงทรงสอนให้พวกเราทำบุญละบาปกันอยู่เรื่อยๆนี่สูตรตายตัวของพระพุทธศาสนาทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุดธนี่ถ้าทำบุญละบาปไม่ได้ชำระใจก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าได้ถ้าได้ชำระใจให้สะอาดบ่อยสุดธิ์กำจัดโลภโกรธหลงกาจัดความอยากต่างๆได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ต้องไปใช้บุญใช้บาปไปนิพพานแทนคำถามจากคุณมานิดาในการนั่งสมาธิเราจะทราบได้อย่างไรว่าอะไรคืออาการปีติของมันอยู่ในใจเราถ้าเราไม่ทราบเราก็เราก็ไม่รู้จะควา้ายังไงแล้วเวลาเราดีใจเสียใจเรารู้เปล่าว่าเราดีใจหรือเสียใจเี่ยปิติก็คือความดีใจนี่แหละบางทีก็น้ําตารุ่มบางทีก็ขนลุกซ่า มันของพวกนี้มันไม่ต้องมาถามหรอกถ้ามันเจอมันด้วยเองคําถามจสกุณยญ้าหญิงเมื่อกําหนดพุดโทโธกับลมหายใจแล้วลมหายใจหายไปควรกําหนดพุดโทโธในใจต่อไปไหมคะก็ถ้ายังไม่สงบก็พุโทโธต่อไปให้มันตกให้มันตกหลุมตกบอก่อแล้วก็เน่งแล้วพุโทโธมันก็จะหายเพลงมันก็จะหยุดถ้ายังไม่ตกลุมตกบ่อก็กทําต่อไปพุโทโธต่อไป แต่อย่าไปคาดอย่าไปคาดแนวว่าเมื่อไหร่จะตกหลุมสักทีเมื่อไหร่จะตกสักทีกานั่งอย่างีแทนที่จะพุทโธมันก็จะมานั่งเมื่อไหร่จะตกเมื่อไหร่จะตกเอ๊ะทำไมไม่ตกมันก็จะคิดปรุงแต่งไปมันก็จะไม่มันก็จะไม่มีวันที่จะตกหลุมตกบ่อได้มันต้องพุทธโทพุทโทไปแบบไม่ไม่สนใจมันจะตกไม่ตกกูไม่รู้ละกูขอให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็พอไม่รู้เราไม่รู้ไม่ที่มันก็จะตกทันที ถ้าเราไปคอยเฝ้ามันมันอายมันไม่ยอมตกให้เราพอเราไม่ไปดูมันไปเฝ้ามันเดี๋ยวมันก็ตกให้เราเองตกหนุ่มตกบอ่อคําถามจากคุณวันคืนที่ล่วงไปถ้าเราใส่เงินในย่ามพระได้ไหมครับถ้าไม่มีโยงอุปถัาติดตามมาหรือควรตามไปถวายที่วัดถ้าตามพระวินัยก็พระไม่ควรที่จะแตะต้องเงินทองควรจะมีลูกศิษย์ เป็นผู้ที่ถือเงินถือทองให้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมเคยได้ฟังมาว่าตราบใดที่โลกยังมีผู้เจริญมัชมีองค์แปดตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์โยมเข้าใจว่าต้องเป็นการเจริญมัชที่ทำอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าทำทําหยุดหยุด การบรรลุธรรมจะยากเพราะขาดความต่อเนื่องอย่างนี้เบื้องต้นคือเริ่มต้นจากการมีสติต่อเนื่องก่อนเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิแล้วตามด้วยปัญญาตามที่พระอาจารย์สอนคือการเจริญมรรคโยมเข้าใจถูกหรือไม่ค ะ, ะถูกแล้วต้องทำแบบไม่มีเวลาว่างเว้นนอกจากเวลาหลับเท่านั้นถึงจะบรรลุได้เขาเรียกม า, าสติมาหาปัญญา คำถามจ า, จากคุณสุมาศการจะมีสติเริ่มต้นจะต้องทําอะไรก่อนครับก็บริการคพุโทโธไปเลยพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ให้บริการคพุโทโธไปกับควบคู่กับ ก, บการทํางานต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำํำอาบทาแปลงล้างหน้าแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยกเว้นว่าจําเป็นจะต้องคิดจริงๆเกี่ยวกับว่าวันนี้ต้องไปทําอะไรบ้าง คิดวางแผนก็คิดไปคิดตามความจำเป็นพอคิดเสร็จแล้วก็ควรที่จะหยุดแล้วเวลาคิดก็ควรจะหยุดทำอย่างอื่นไม่งั้นเดี๋ยวใจมันจะเป็นสองเราต้องการให้มันทำอย่างเดียวถ้าจะคิดวางแผนก็ยืนเฉยๆหรือนั่งเฉยๆแล้วก็คิดให้พออย่าอาบน้ำไปคิดไปแล้วเดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยให้มันเอาทำทีละอย่างถ้าจะคิดก็หยุดการทาการเคลื่อนไหวทางร่างกายทั้งหมด ให้นั่งคิดคิดให้พอคิดเสร็จแล้วก็พอเราเกินไหวทางร่างกายก็หยุดคิดให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพราะเวลานั่งสมาธินี่เราจะนั่งเฉยๆแล้วเราก็จะหยุดความคิดเยเราก็จะใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธคําถามจากคุณนกสุภะหมายถึงอะไรคะเวลานั่งภาวนาแล้วบริกรรมพุโทโธและ พ, พิจารณาอสุภะไปด้วย อยากทราบว่าสุภาคืออะไรเราต้องพิจารณาด้วยไหมคะสุภาษก็ต้องข้ามกับอสุภาษเสุภาษก็สวยงามอาสุภาษก็คือความไม่สวยงามสุภาษนี่เราไม่ต้องพิจารณาเพราะเราพิจารณาอยู่ตลอดเวลามองหน้าเราก็สวยไม่สวยทีนี้ต้องการให้พิจารณาส่วนที่เราไม่ยอมพิจารณากันก็คืออสุภาส่วนที่ไม่สวยในตัวเรานี้หรือใน ต, ตัวของคนอื่น แค่ดูตอนที่เราแก่มันจะเป็นยังไงตอนที่หนังเหี่ยวผมขาวหรือตอนที่ไม่สบายหรือตอนที่ตายให้ดูอสุภะเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงกับร่างกายไม่ยึดติดกับร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นคําถามสคุญญาญา หนูในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภะหนูใช้วิธีสร้างภาพในจิตให้ชัดเจนและจับภาพนั้นที่เป็นศพของตัวเองให้ชัดเจนและเริ่มพิจารณาบางครั้งจิตไม่นิ่งก็จะจับภาพไม่ได้พิจารณาไม่ชัดเจนไม่ทราบทำถูกหรือไม่คะถ้าจับภาพไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้นึกถึงมันก็ได้เวลาเรานึกถึงเงอนนี้เราต้องอสร้างภาพขึ้นมาในใจหรือเปล่า เวลานึกถึงแฟนนี่เราต้องสร้างภาพของแฟนขึ้นมาในใจหรือเปล่าเพียงแต่นึกมันก็มันก็รู้แล้วเป็นใครก็นึกถึงศพไปเรื่อยๆนึกไปดูศพแล้วก็มันนึกไม่ต้องไปสร้างภาพก็ได้ให้เนึกว่าศพนะเจอใครก็ว่าศพนะพอไปชอบใครก็เดี๋ยวก็ต่อไปก็เป็นศพนะพอไม่หายใจก็เป็นศพนะแค่นี้เองมันก็พอละพอให้มันหยุดความหลงได้ไมันไม่จาเป็นจะต้องสร้างภาพหรอก ถ้าเนี่มันนั่งสร้างภาพมันต้องนั่งตอนสมาธิแล้วเวลาตอนไม่ได้นั่งสมาธิมันจะไม่มีกําลังมานั่งสร้างภาพมันก็ต้องใช้ความคิดนี่แหละคิดสอนใจอยู่เรียกว่าซากศพนะคนเราเนี่ยมันก็เป็นซากศพในอนาคตนี่แหละจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตอนอยู่ที่ลมหายใจนี้เท่านั้นเองพอหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครเขาอยากได้แล้วอยากจะส่งไปวาดทันทีคําถามจากคุณลูเซีย หนูต้องใช้สมาธิในการท่องหนังสือแต่หนูจําไม่ค่อยได้ต้องนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมงคะถึงจะช่วยให้จําได้ดีมันไม่เกี่ยวกันความจํำบางทีมันก็การนั่งสมาธินี่ไม่ได้เป็นการเสริมความจํานะการนั่งสมาธิเป็นการหยุดความคิดปรุงแต่งงั้นอย่าไปคิดว่าการนั่งสมาธิจะทําให้ความจําดีไม่ใช่ความจํามันดีไม่ดีอยู่ที่สติส่วนหนึ่ง คือเวลาเราฟังแล้วถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะไม่ลืมแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะไม่ได้ยินสิ่งที่เราฟังเราก็จะลืมไปคำถามจากูุณาพ ล, ลเรื่องของความจำถ้าอยากจะจำได้ก็ต้องหัดท่องจำอยู่เรื่อยๆเช่นเราอ่านหนังสือแล้วก็ามาท่องมันอยู่เรื่อยต้องท่องมันอยู่เรื่อยมันถึงจะจาได้ถ้าไม่ท่องเดียวมันก็หายไปคาถามจักรุณาพล มีเคยมีคนเคยสอนว่าคนเราต้องไม่ดีบ้างผมควรจะต้องคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเพราะรู้สึกคำพูดนี้มันขัดขัดกับสิ่งที่เคยรับรู้มาเขาพูดถึงโดยทั่วไปเมืม่อเขาหมายถึงคนทั่วไปเนี่ยก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีปนกันไปแม้แต่ตัวเราเองก็บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเพราะเราก็มีอารมณ์ดีบ้างไม่มีมีอารมณ์ไม่ดีบ้าง เวลามีอารมณ์ไม่ดีเราก็กลายเป็นคนไม่ดีไปเพราะเราจะพูดไม่ดีทําไม่ดีแต่เวลาที่เรามีอารมณ์ดีเราก็จะพูดดีทําดีนี่คือมาความหมายของการบอกว่าคนเราก็มีดีบ้างมีไม่ดีบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเราควรจะไม่ดีไม่ดีบ้างนี่ไม่ใช่คนเราควรจะกําจัดความไม่ดีเพราะเราสามารถกําจัดความไม่ดีได้เพราะความไม่ดีมันเป็นโทษกับเราและกับโทษกับผู้อื่นนั่นเอง แต่ความดีนี้มันเป็นคุณกับเราและเป็นคุ ณ, คณกับผู้อื่นเอ็นเราพยายามมากําจัดความไม่ดีกันแล้วมาสร้างความดีกันแต่ระหว่างทางนี้มันก็ต้องมีบ้างบางทีก็เผลอสติแตกใครพูดอะไรไม่ดีเราก็เกิดอารมณ์เสียเขาพูดไม่ดีมาเราก็เลยพูดไม่ดีกลับไปคําถามจากคุณปัชยาการพิจารณาขันห้าพิจารณาอย่างไรครับ การพิจารณาสองขันเนี่ยคือร่างกายกับเวทนาะว่าร่างกายนี้มันเกิดแก่เจ็บตายเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกมีเจ็บมีไม่เจ็บเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ควบคุมร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ควบคุมเวทนาไม่ให้ทุกข์ไม่ได้เวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยแต่เราสามารถอยู่กับมันได้อยู่กับร่างกายที่แก่เจ็บตายได้ อยู่กับเวทนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาที่เราเดือดร้อนเพราะเราชอบไปยุ่งกับเขาเวลาเขาทุกข์เราก็อยากจะให้เขาสุขพอเขาไม่สุขเราก็เดือดร้อนเวลาเขาแก่เราไม่อยากให้เขาแก่เราก็เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปเว <ใน S 1> ทนาจะทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไป เราอยู่กับเขาได้เพียงแต่ว่ากิเลสเราไม่ชอบของพวกนี้มันก็เลยทำให้เราอยากจะกำจัดมันพออยากพกมันก็เกิดความทรมานใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเราสามารถกำจัดความอยากความวุ่นวายใจทรมานใจได้แต่เราไม่สามารถไปกำจัดความแก่ความเจ็บความตายไปกำจัดทุกขเวทนาได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่เดือดร้อนถ้าเราหยุดความอยากที่จะไปกาจัดเขา มีกี่ข้อเดี๋ยวสักสองข้อกันแล้วกันน ะ, ะเวลามันจะหมดแล้ว ค, คำถามจะคุณมอนตี้ผมนั่งสมาธิตอนกลางคืนคนเดียวในที่ที่ไม่มีใครความคิดชอบคิดถึงคนตายทำให้จิตผมไม่นิ่งเกิดความกลัวจนนั่งต่อไม่ได้เราจะเอาชนะความกลัวอย่างไงครับก็ต้องพยายามบริกรรมพุโทโธไปอย่าปล่อยให้คิดเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาจะบริกรรมพุโทโธก็ได้จะสวดอิติปิโสก็ได้ สวดไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวถ้าเราสวดไปแล้วจิตจะสงบพอสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปออีกข้อหนึ่งค า, ายคำถามข้อสุดท้ายนะคะจากคุณสิริพรถ้านั่งสมาธิจนถึงจุดที่จิตเป็นหนึ่งแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อคะออก็ให้มันเป็นหนึ่งปนนานๆจนกว่ามันจะเป็นสองแต่ถ้าเรานั่งเพื่อให้มันเป็นหนึ่งเพราะเป็นหนึ่งนี่มันมีความสุขอย่างยิ่ง อยากจะรักษาความสุขนั้นให้ได้นานที่สุดแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวกิเลสมันอยากจะทําให้เป็นสองกิเลสมันอยากจะมาที่ร่างกายอยากจะมาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะกลับมาเป็น2มาเป็นใจกับร่างกายแต่ถ้าเวรานั่งนี้มันจะเป็นใจเป็นตัวเดียวเป็นหนึ่งแต่มันก็อยู่ที่กําลังของสติของเราถ้าสติมากก็จะเป็นหนได้นานถ้าสติน้อยก็เป็นหนึ่งได้ไม่นาน